สวะสัมปยุตตะทุกกะ 3. ปัจยวาระหนึ่งปัจจญานุโลม 1. วิพังขวาระเหตุปัจจัย 66. สภาวธรรมที่สัมปยุตได้อาสะวะทำสภาวธรรมที่สัมปยุตได้อาสะวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสะวะทำสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสะวะ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่วิปยุจจากอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองจิตตสมุทฐานรูปทำโมหะที่สหรคต ด, ด้วยโทมนั์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทะจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันธ์ธรรมทภยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นธรรมมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุทฐานรูปและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่วิปยุจจากอาชวะธรรมอภยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรักโทษด้วยโทมนั์ที่สห้รักโทษด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะธรรมอภยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวาทำสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปะยุทธ์ด้วยอาสวาทำอาไทวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปะยุตขันธ์ทำโมหะที่สหรฆวดด้วยโทมนัตที่สหรฆวดด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆวดด้วยอุทัจฉาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปะยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะ ทำสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุจด้วยอาสวะธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยุจตะขันและจิตตสมุทฐานรูปธรรมโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรโคด้วยจิกิกิฉาและที่สหรโคด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์และโมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัตธรรมอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น67สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะธรรมสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่ขันสามธรรมขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและธรรมอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงธรรมขันสองขันสามธรรมขันหนึ่งและโมหะ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 จิตตสมุทฐานรูปทำขันและโมหะที่สะหรคตด้วยโทมนัตที่สหิรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัตทำขันที่สะหรคตด้วยโทมนัตและธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองจิตาสมุทนานรูปทำขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและธรรมะหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามและจิตาสมุทนานรูปทำขันหนึ่งและโมหะที่สหรคต ด, ด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และที่สหะรคตด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองขันสามและโมหะทำขันหนึ่งที่สหรคตด้วยโทมานต์และธรรมภัททิวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองอารมณ์ปัจจัยเป็นต้นหกสิบแปดสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสะวะทำสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสะวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะอารมณปัจจัยมีสามวาระเหมือนกลับปฏิจจาวาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาศสวะทำสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาศสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามทมขันหนึ่งที่วิปยุตจากอาศสวะและธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะขันธรรมทยวัตถุให้เป็นปัจัยเกิดขึ้น จะขูวิญญาณทำจักขายยตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายยตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่วิปยุจจากอาสวะทรมาไทวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัสที่สห์รคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะรำมาไทวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะทำสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุดด้วยอาสวะทมอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้ น, จจนสัมปยุจากขันธ์ทำโมหะที่สหรกคตด้วยโทมนัตที่สหรกคตด้วยจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอวุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรร ม, มที่สัมปะยุดด้วย อ, อวยาสวะและที่วิปปะยุจากอาสวะทำสภาวธรรมที่วิปปะยุจากอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะอารามณะปัจจัยได้แก่ขันเลโมหะที่สหรคดด้วยโทมนั์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะรมทาไวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหกสบเ้าสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวาทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุจจากอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ และธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองสภาวะธรรมที่วิปิยุจากอาจวะทำสภาวะธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยอาสวะและที่วิปิยุจากอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่โมหะ ท, ที่สหรคตด้วยโทมานั์ที่สหรกคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรกคต ด, ด้วยอุทัจจะทำขันที่สหรคตด้วยโทมนั์ที่สหรกคตด้วยททวยยิจิกิจฉา และที่สหรคตด้วยอุทัจจะและธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธจากอาสวาทำสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธจากอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ขันสามและโมหะทำขันหนึ่งที่สหรคตด้วยโทมนั์ที่สหรคตด้วยจิกิ ช, ชาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะ และธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยละถึงเพราะอวิคตะปัจจัยหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระเจสิเฮตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีกาวาระอนุโลมจบสองปัจยะปั จ, จนิยะหนึ่งวิพังขวาระนะเหตุกปัจจเจส1เอดสภาวธรรมที่วิปิยุตจากอาสวะทาสภาวธรรมที่สัมปยุติด้วยอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุกปัจจัยได้แก่โมหะที่สหโรครด้วยวิจิกิจฉา และที่จะห่อรักรด้วยอุทจจะทำขันที่จะห่อรัโทษด้วยวิจิกิจฉาและที่จะห่อรักรด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปิยุจากอาสวาทำสภาวธรรมที่วิปิยุจากอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปิยุจากอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันธ์สอง ในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสั ต, สตพรมจากขุวิญญาณทำจักขายิตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายยาจตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปิวจากอาสวะธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะทำสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะและที่วิปยุจจากอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะหน้เหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรกรดด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรกรดด้วยอุทจจะทำขันที่สหรกรดด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรกรดด้วยอุทจจะและธรรมะทยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นย่อสองปัจจยะปัจจนียะ สสังคยาวาระสุทไนยเจ็ดสนเหตุปัจจัยมีสามวาระนอาอรมณปัจจัยมีสามวาระน่ะิปติปัจจัยมีเ้าวาระนอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสมนันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปาเนสียปัจจัยมีสามวาระนุ่เรชาตะปัจจัยมีเจดวาระ นปัจฉาชาตปัจใจมีเก้าวาระนาอเจวะนปัจจใจมี9้าวาระนกรรมะปัจใจมีสี่วาระนวิปากปัจใจมีเก้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหวาระโนนะธิปัจจัยมีสามวาระ โนวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงทำการนับสองอย่างแม้นอกนี้อย่างนี้นิจยะวาระเหมือนกับปัจยะวาระสิบหกอาสวะสัมปยุตตทุกะห้าสังสัทธาวาระ หปัจจยานุโลมเป็นต้นเจ็ 73. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดรควนกับสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณะปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหกวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหกวาระ สภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะเกิดรกควกับสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะเพราะน่เหตุตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดรกควกับขันธ์ที่สหรกรด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรครด้วยอุทจจะสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะเกิดรกควมกับสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะเพราะน่เหตุตุปัจใจน่าเหตุตุปปัจจัยมีสองวาระ นาที่ปฏิปัจจัยมีหกวาระน้ปุเรชาติปัจจัยมีหกวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีหกวาระหนอเจวะณะปัจจัยมีหกวาระนกรรมปัจจัยมีสี่วาระหนวิปากะปัจจัยมีหกวาระหน้าชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระน้ามขะปัจจัยมีหนึ่งวาระหนวิปยุตตะปัจจัยมีหกวาระพึงทำการนับสองอย่างแม่นอกนี้อย่างนี้ สัมปยุตตวาระเหมือนกับสังสัทธวาระ 16. อาสวะสัมปยุตตทุกะ 7. ปัญหาวาระ 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังขวาระเหตุปัจจัยเจ็สสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยอาสวะ เป็นปัจจัยแก่ controll. สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยเหตุ Process, ุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุุปัจจัยโทสะเป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะ และที่วิปยุติจากอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุ hey, ที่สัมปยุติด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติจากขันและจิตตาสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยโทสะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติจากขันโมหะและจิตตาสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยเจสห้าสภาวธรรมที่วิปยุติจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุติจากอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่ เหตุที่วิปิยุจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุุปัจจัยโมหะที่สห์รคตด้วยโทมนั์ที่สห์รคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สห์รคตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่วิปิยุจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่ โมหะที่สหร๊อโคด้วยโทมนั์ที broken, ่สหร๊อโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยอาสวะและที่วิปยุจจากอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยโทมานต์ที่สหร๊อโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตจขันและจิตตสมุฐานรูปโดยเหตุปัจจัย76สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะและที่วิปยุจจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่โทสะและโมหะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมปยุจด้วยอาสวะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะและที่วิปยุจจากอาสวะ เป็นปัจจัยแก่สภาะวะธรรมที่วิปิยุจจากอาสวะโดยเหตุตกปัจจัยได้แก่โทสะและมโมหะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตกปัจจัยสภาะวะธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะและที่วิปิยุจจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะและที่วิปิยุจจากอาสวะโดยเหตุตกปัจจัยได้แก่โทสะและมโมหะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขัน์และจิตตาสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัย77สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันที่สัมปยุตด้วยอาสวะขันที่สัมปยุตด้วยอาสวะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะ โดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรากรกขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะขันและโมหะที่วิปยุทธิจากอาสวะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธิจากอาสวะโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารกขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะขันและโมหะที่สหรกรดด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยวิจิกิจจา และที่สหรักตด้ดยอุทจจะจึงเกิดขึ้นเจ็สิบแปสภาวธรรมที่วิปยุ์จากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุ์จากอาสวะโดยรมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานพระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามากพิจารณาผล พิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตระผูโวทานมัคผลและอวัชนะจิตโดยอรมณปัจจัยพระอริยพิจารณากิเลที่วิปยุจากอาสวะซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลที่ขมได้แล้วพิจารณากิเลที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุขันธ์ที่วิปยุจากอาสวะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ในที่นี้ไม่มีความยินดีบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขูฟังเสียงด้วยที่ประโสงค์ตถาตัรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่วิปยุจจากอาสวะด้วยเจโตปริยญาณอากาสาัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะอากินัญญาัตนะนนยยตนะเป็นปจัจจัยแกเนวสัญญาณสัญญาัตนะรูปายตนะเป็นปจัจจัยแกจักขูวิญญาณโพธพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณขันธ์ที่วิปยุจจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัคขญาณอนาคตังจายานอาวัชนะจิตและโมหะโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยอาสวะโดยอารมณปัจจัยได้แก่ บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพล่ดเพลินกุศลนั้นเพราะป ร, ะรารบความยินดีเพล่ดเพลินกุศลนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาอุทัจฉาโทมณ์จึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพล่ดเพลินกุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานยินดีเพล่ดเพลินจากสุหาไทยวัตถุขันธ์ที่วิปยุจจากอาสวะ เพราะปรารกความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะทิฏฐิโทมนัตวิจิกิจฉาอุทะจะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปิยุจากอาสวะเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะและที่วิปิยุตจากอาสวะโดยอารมณัปัจจัยได้แก่เพราะปรารกจากสุขหาไทยวัตถุขันธ์ที่วิปิยุจากอาสวะขันธ์และโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยวิกิกิจฉา และที่สหรกรโคด้วยอุทะจะจึงเกิดขึ้นเจ็สิบเสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันและโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรกรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรกรโคด้วยอุทะจะขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ และที่วิปยุจจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่วิปยุจจากอาสวะโดยธรรมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันและโมหะที่สหรคตด้วยโทมานต์ที่สหรกคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สห ร, ค, รคตด้วยอุทัจจะขันที่วิปยุจจากอาสวะและโมหะจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะและที่วิปยุจจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะ และที่วิปยุจจากอาสวะโดยอารอมณะปัจจัยได้แก่เพราะปราบรบขันและโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรค็ด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจฉาขันและโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจฉาจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย80สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะ โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณนาธิปติได้แก่เพราะทำขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันท์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปฎีธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันท์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติดได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยอธิปดีธรรมที่สหรคตด้วยโทมนัสเป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัสยสภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยอาสวะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุยยาายยยปยทยธททะขันธ์จจ แ, นและจิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยอธิปดีธรรมที่สรคตด้วยโทมนั์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์โมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัย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 พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผลโดยอธิปฏิปัจจัยสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปฎิธรรมที่วิปยุจจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่วิปยุจจากอาสวะ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมพยุดด้วยอาสวะโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพล่ดเพลินกุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพล่ดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพล่ดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้ว ออกจากฌานยินดีเพล่อเพลินจากสุภาไทยวัตถุขันธ์ที่วิปยุจจากอาสวะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพล่อเพลินจากสุเป็นต้น น, น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัย82สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่สัมปยุดด้วยอาสวะซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุดด้วยอาสวะซึ่งเกิดหลังๆโดยนันทระปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะโดยนันทระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรกคตด้วยโทมานต์ที่สหรกคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรกคตด้วยอุทจจะซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่โมหะที่สหรรคตด้วยโทมานต์ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทะจะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่วุฒฐานะโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุยปปจจสสทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และที่สหรโคตด้วยอุทจจะซึ่งเกิดต้นก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่สหรโคตด้วยโทมนั์ที่สารโคตด้วยวิจิกิช้าและที่สหรโคตด้วยอุทจจะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัย8ปสสภาวธรรมที่วิปิวิจักอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิวิจักอาสวะโดยอนันตระปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคตด้วยโทมานั์ที่สหรโคตด้วยวิจิกิช้า และที่สหรโคตด้วยอุทจฉะซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่โมหะที่สหรคตด้วยโทมานต์ที่สหรโคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคตด้วยอุทัจฉะซึ่งเกิดหลังๆังโดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่วิปยุจากอาสวะซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิปยุจฉะอสวะซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูพละสมาบัตโดยอนันตระปัจจัย สภาวธรรมที่วปิปยุจจากอาสะวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยอาสะวะโดยอนันตระปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรกรดด้วยโทโมนัตที่สหรกรดด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยโทโมนัตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยอาวชนาจิต เป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะโดยนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปิยุจากอาสวะโดยนันตระปัจจัยได้แก่โมหะที่สารคตด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะซึ่งเกิดกลอ น, อนเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่สหรคกด้วยโทมนัต ที่สหรักโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรักโคด้วยอุทจจะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยอวชจนะจิตเป็นปัจจัยแค่ขันและโมหะที่สหรักโคด้วยโทมนัตที่สหรักโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรักโคด้วยอุทจจะโดยอนันตระปัจจัย 84. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ โดยอนันต ร, ระปัจจัยได้แก่ขันและโมหะที่สห์รักโทษ ด, ด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทะจะซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทะจะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันต ร, ระปัจจัยสภาวธรรมที่สัมบุญด้วยอาสวะและที่วิปิญญจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิญญจากอาสวะ โดยนันตระ bies. ปัจจัยได้แก่ขันและโมหะที่สหรคตด้วยโทมานต์ที่สหรโคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่โมหะที่สหรคตด้วยโทมานต์ที่สหรคดด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะซึ่งเกิดหลังๆโดยนันตระปัจจัยขันและโมหะที่สหรโคตด้วยโทมนั์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะ เป็นปัจจัยแก่วุทธะโดยนันทระปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะโดยนันทระปัจจัยได้แก่ขันและโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรกรดด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะซึ่งเกิด ก, ก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัต ที่สหรัชทวิจิกิจฉาและที่สหรคตอุทจฉาซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยสมณันตระปัจจัยเป็นต้นแปสิบห้าสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะโดยสมณันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตาปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญามัญญาปัจจัยมีหกวาระ เป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยมีกลาวะอุปปาณิสยาปัจจัยแปสหสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะโดยอุปปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปปาณิสยาอันนันตูปปาณิสยาและปกะตูปปาิสยาปกะตูปนิสยะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ โดยอุปานินสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากอาสวะโดยอุปานินสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรู ป, ปะเนสยาและปะกะตูปนินสยาปะกะตูปะเนสยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์และโมหะที่วิปยุทธ์จากอาสวะโดยอุปานินสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธิ์จากอาสวะโดยอุ ป, ปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคือนันตารู ป, ปานิสยาและปะกะตูปนิสยาปะกะตูปานิส ย, ยะได้แก่ขันที่สัมปยุทธิ์ด้วยาอาสวะเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่สหรกรคด้วยโทมนั์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทะจะโดยอุปาณิสยปัจจัยแปสิบเจ็ด สภาวะธรรมที่วิปยุจจากอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่วิปยุจจากอาสวะโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมโนปะนิสยอเนนตรูปนิสยและปะกะตูปะนิสยาปะกะตูปะนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานอาศัยศีลปัญญาสุขทางกายเสนาสนะโมหะแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้น ศรัทธาปัญญาสุขทางกายทุกทางกายและโมหะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาโมหะโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่วิปยุจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุจได้อาสวะโดยอุปาณิสยปัจจัยจมีสามอย่างคืออารามโูปนิสยาอนันตารูปะนิสยและปะกะตูปนิสยาปะกะตูปนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะ เธอทิฐิอาศัยศีลปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนณนะและโมหะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงศตาโมหะเป็นปัจจัยแก่ราคะความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่วิปยุจจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะและที่วิปยุจจากอาสวะโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่าง คืออนันตารูปะนิสยาและประกาศตูปะนิสยาประกาศตูปะนิสยะได้แก่สัทธาศีลโมหะเป็นปัจจัยแก่ขัน์และโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะโดยอุปนิสยาปัจจัยแปสิบแปดสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุตธ์จากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปะนิสยาและปะกระตูปะนิสยาปะกระตูปะนิสยะได้แก่ขันธ์และโมหะที่สหรกรคด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะโดยอุปาณิสยาปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลขันธ์และโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรคตววิจิกิจฉา และที่สหรคตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแข่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปานิสยาและประกาศูปานิสยาประกาศูปานิสยาได้แก่ขันและโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่ส ah isha, หรโคด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่สหรคตด้วยโทมนั์ที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะโดยอุปนิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย89สภาวธรรมที่วิปยุจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจากอาสวะโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณบุเรชาต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 จักคลายยตนะเป็นปัจจัยแก่จกักขวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันไดโมหะที่วิปยุจจากอาสะวะโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจไดอาสวะโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่ บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขาไทยวัตถุเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมานต์จึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่ขาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะโดยปุเรชาตะปัจจัย Podcast. สภาวธรรมที่วิปิยุจากอาสวะเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปิยุจากอาสวะโดยปุเรชาตะปัจจัมยมีสองอย่าง คืออารมณบุเรชาตะและวัตถุบุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่เพราะปรารบจากสุหาไทยวัตถุขันและโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัสที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจฉาจึงเกิดขึ้นวัตถุบุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัสที่สห์รักด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจฉา โดยปเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัย90สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุทธจากอาสวะโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุทธจากอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุทธจากอาสวะ โดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวเคลปัจฉาชาตะได้แก่ขันและโมหะที่วิปยุจจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวะธรรมที่จําปยุจด้วยอาสวะและที่วิปยุจจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่วิปยุจจากอาสวะโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวเคอปัจฉาชาตะได้แก่ขันและโมหะที่ ส, ห, สหรฆุ ด, ด้วยโทมนั์ ที่สหรโครด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโครด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยอาเสวณะปัจจัย91สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะโดยอาเสวณะปัจจัยในกลาวาระอวัชนะจิตและวุฒนะไม่มีก ร, รมะปัจจัย92 สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติขันธ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุติจากอาสวะโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยกรมมปัจจัยเจตนาที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรกรดด้วยวิจิกิจชาและที่สรกรดด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตสัมมุทฐานรูปโดยกรมมปัจจัยนานาคเนกกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธ์ตะขันและจิตตสโมทานรูปโดยกรรมปัจจัยเจตนาที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยจิกิช้าและที่สหรคตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธ์ตะขันโมหะและจิตตสโมทานรูปโดยกรรมปัจจัย สภาททวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือาชาตาและา น, ละนานาคณิกกะชาตาได้แก่เจตนาที่วิปยุจจากอาสวะเป็นปัจจัยแห่สัมปยุจจขันและจิตตะสมุฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่วิปยุจจากอาสวะ เป็นปัจจัยแข่ขันที่เป็นวิบากและกระตั้งตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปาสกับปัจจัย93สภาวธรรมที่วิปิว จ, จากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิวจากอาสวะโดยวิปาสกปัจจัยเมหนังวาระอาหารรปัจจัย94สภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยอาสวะโดยอาห า, า, ารรับปัจจัยได้แก่ อาหารที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอาหารับปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยอาหารรับปัจจัยได้แก่อาหารที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยอาหารรับปัจจัยอาหารที่สหรคตด้วยโทมนัสที่สหรกรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะ เป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตะสมุทฐานรูปโดยอาหารรับปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธจากอาสวะโดยอาหารรับปัจจัยได้แก่อาหารที่สัมปยุทธด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอาหารรับปัจจัยอาหารที่สหรคตด้วยโทมนัสที่สหรคตด้วยวิจิขิชาและที่สหรคตด้วยอุทจจะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยอาหารับปัจจัย95สภาวะธรรมที่วิปยุตจักอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่วิปยุตจักอาสวะโดยอาหารับปัจจัยได้แก่อาหารที่วิปยุตจักอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุฐานรูปโดยอาหารับปัจจัยในปฏิสนธิขณะ เกาเลียงกระหารเป็นปัจจัยแขกายนี้โดยอาหารปัจจัยอินทริย์ปัจจัยเป็นต้น96สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแขกษาภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะโดยอินทริย์ปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตาปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตาปัจจัย 97. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธิจากอาสวะโดยวิปยุทธะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทานรูปโดยวิปยุทธะปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุทธะปัจจัย สภาวธรรมที่วิปิยุจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิยุจากอาสวะโดยวิปิยุจปัจจปัจจัยมีสามอย่างคือา ช, า ata, ชาชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะย่อพึงขยายให้พิสดารเกาสิบสภาวธรรมที่วิปิยุจกยากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจได้อาสวะโดยวิปิยุจัปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้ แ, แก่หาไทยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมยุญด้วยอาสะวะโดยวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสะวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมยุญด้วยอาสะวะและที่วิปยุตจากอาสะวะโดยวิปยุตตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือบุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัต ท, ที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาและที่สหรฆ ด, ด้วยอุทจจะโดยวิปยุตตะปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากอาสวะโดยวิปยุทธะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่คันและโมหะที่สหรคตด้วยโทมนั์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมัมมุทฐานรูปโดยวิปยุทธะปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ ขันและโมหะที่สหรักขด้วยโทมนั์ที่สหรักขด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่กายในที่เกิดก่อนโดยวิปิวิตาปัจจัยอธิปัจจัย99สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก Cat S w, ่ส S w, uh S w, ภาวธรรมที่วิปิวิจากอาสวะ โดยอธิปัจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่จำปยุดด้วยอาสวะเป็นปัจจ al ัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจัยขันธ์ที่สหรักโทษด้วยโทมนัตที่สหรักโทษด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรักโทด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่จำปยุดด้วยอาสวะ เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิ NS ปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสะวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสะวะและที่วิปยุทธ์จากอาสะวะโดยอธิปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตะปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากอาสะวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากอาสะวะโดยอธิปัจจัยมี5อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะ ปัจฉาชาตะอาหารและอินทรียะย่อพึงขยายให้พิสดารสภาวะธรรมที่วิปิวจักอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่จัมปยุทธ์ด้วยอาสวะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสาชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยโทมณัสที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาและที่สหรคตด้วยอุทจะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอธิปัจจัยบุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาไทยวัตถุเพราะปรารุคความยินดีเพลิดเพ ล, เพลินจากสุเป็นต้นนั้น pinpoint, ราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิ จ, จึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นบุธจจะจึงเกิดขึ้นโทมิัะจึงเกิดขึ้นหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยอธิปัจจัย สภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสะวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะและที่วิปยุจจากอาสวะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจตะขันและจิตตสมตุทานรูปโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่ เพราะปราบจากสุหาไทยวัตถุขันและโมหะที่จสหรครตด้วยโทมนั์ที่จสหรักโทษด้วยจิกิกิจา่าและที่จสหรครตด้วยอุทจฉะจึงเกิดขึ้นร้อยหนึ่งสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ และหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยละถึงขันสอง 2, ขันหนึ่งและโมหะที่สหรคตรด้วยโทมนัตที่สหรคตรด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตรด้วยอุทะจะเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยละถึงขันสอง 2, สภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยอาสะวะและที่วิปยุจจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสะวะ โดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจชาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันธ์และโมหะที่สหรกรดด้วยโทมนัตที่สหรกรดด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคต ด, ด้วยอุทะ จ, จะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัย ขันที่เสหรักโทษด้วยโทมนัตที่เสหรักโทษด้วยจิกิกิชาและที่เสหรักโทษด้วยอุทจจะและหะไทยวทัตถุเป็นปัจจัยแก่โมหะโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและกโกลิยกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและรูปปัจจิวิตินทรีเป็นปัจจัยแก่กระตตารูกโดยอธิปัจจัย สภาวะธรรมที่สั i, มปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งและโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรักโทษด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัย ละถึงขัน 2. สองสะหาชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่สหรโครด้วยโทมนัตที่สหรโครด้วยวิจิกิจฉาที่สหรคตรด้วยอุทัจฉาและหะไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามและโมหะละถึงขันสองหนึ่งปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาระสุทไนร้อสองเหตุ ป, ปัจจัยมิกลาวาระอารมณ์ปัจจัยมิกลาวาระ อาทิตติปัจจัยมีห้าวาระอันันตรปัจจัยมีเก้าวาระสมณันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระัญามัญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปานิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสมวาระอายติวนาปัจจัยมีเก้าวาระกรมมปัจจัยมีสวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจใจมีสี่วาระอินทรียะปัจจัยมี่วาระชานะปัจจัยมี่วาระมัคระปัจจัยมี่วาระสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระวิปยุตตปัจจัยมีหวาระอธิปัจใจมีเก้าวาระนัติปัจจัยมีเก้าวาระวิคตปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมี9้าวาระ สองปจณียุทธาระร้สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิวจักอาสวะโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปานิสยปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะโดยอารมณะปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาินสยปัจจัยร้อสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากอาสวะโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปาเนสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัย กรมะปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทรียะปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิวจักอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาเนสียปัจจัยและปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิวจักอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปิวจักอาสวะโดยอารมณะปัจจัยสหชาติปัจจัย อุปาณิสยปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัยร้อหสภาวธรรมที่สัมปยุทธิ์ในอาสวะและที่วิปยุทธิจากอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธิ์ในอาสวะโดยอารมณะปัจจัยสหชาตะปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธิ์ในอาสวะและที่วิปยุทธิจากอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุทธิจากอาสวะโดยอารมณปัจจัยสหชาตะปัจจัย อุปาเนสยปัจจ <t udes S 1> ัยและปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธิ์อาศะและที่วิปยุทธ์จากอาศะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธิ์อาศะและที่วิปยุทธ์จากอาศะโดยอารมณะปัจจัยชาตะปัจจัยและอุปาินสยปัจจัย 2. ปัจยะปัจญิยะสสังคยาวาระสุทนัยร้อยเหตุปัจจัยในเก้าวาระ ณอรจจารมะณะ์ปัจจใจมีเก้าวาระณอธิปติปัจจใจมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระโน ว, วิคตาปัจจใจมีเก้าวาระ 3. ปัจจญานุโล ม, มปัจญจิยเฮตุทุกไนรยเจ็ดณอรมณปัจใจกับเฮตุปัจจใจมีเก้าวาระณอธิปติปัจจใจมีเก้าวาระละถึงณสมนันตระปัจจใจมีเก้าวาระ ณอัญญมัญญะปัจใจมีสามวาระณอุปาณิสยปัจใจมีเก้าวาระละถึงณมัคคปัจใจมีเก้าวาระณสัมปยุตปจจะะปยต ป, จจ ป, จจปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระโนนัตถิปัจใจมีเก้าวาระโนวิคตปัจใจมีเก้าวาระสปัจยยปัจญิยานุโลมณเหตุทุกขะในร้อยแปด อารมณะปัจจัยคำนะเหตุปั จ, จัจมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปั จ, จัจมีเก้าวาระปั จ, จนิยานุโลมจบอาสวะสัมปยุตตะทุกะจบ